คิดการพูดการกระทําทุกอย่างทุกมุมความคืนกันไปกับพระกุญฑิพานแม้หันหลังให้มาปุญฑิพานด้วยการคิดการพูดการทําต่างๆเพราะฉะนั้นในครั้งนั้นจึงปรากฏว่าผู้สดับรับฟัง กล่าวว่าของพระพุทธเจ้าอย่างสารงเป็นกันก็ดีผู้ปฏิบัติอยู่โดยลําทําก็ดีจึงมีทางรู้ทางเห็นทางบรรลุมรรคผลนิพพานโดยลําดับลําดาไม่ขาดลักค่ะต่อพิกต่อสมัยปัจจุบันนี้ 154 การกิจ เราก็พอทราบได้ว่าสาเหตุพาให้ติดกับสมัยปัจจุบันนี้เราคิดถึงไม่แค่เราเองนี่ตัวอยู่ในวัดแต่หันหน้าออกวัดความคิดความตึงต่างๆเรียนแล้วกับคุณโลกคุณทั้ง 3 เป็นเครื่องสนับสนุนทีเดียววิริยาการพูดการด่านะเป็นไปเพื่อการสนับสนุนยิริต ของการกระทำความว่าการหันหลังให้วัดหันหลังให้ข้อปฏิบัติหันหลังให้มรรคผลนิพพานรายตามมรรคผลนิพพานมาจากที่ไหนหันหน้าไปตรงไหนก็ได้สิ่งนั้นทรงจิตใจไปทางใดก็ย่อมได้รับผลจากทางนั้นจิตใจในขณะหนึ่งได้คิดถึงหรือถึงธรรมมาซ้อนเช่นไหน ธรรมดานี้เป็นเรื่องของสิเด็ดตัณหาอาสวะควบคันธุภาในจิตใจหน้าที่สุดตั้งหน้าภาวนานั้นก็แค่ถึงได้สังคุตกังพระพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าของตลาดแห่งมรรคนิพพานอัพธรรมทั้งหลายเป็นเหมือนกับสินค้าที่ทรงแสดงออก ผู้มาได้ยินได้ฟังมาศึกษาอบรมนั้นเหมือนกับผู้มาจากตลาดตลาดเกลื่อนไปด้วยวัตถุสินค้าต่างๆดาวขนาดไหนเอาจะอย่างไหนชนิดใดราคาสูงราคาต่ำมีในทั้งตลาดสมุดไม่บกพรหมสมบูรณ์สําหรับเวลาเช่นเดียวกับตลาดทางโลกธรรมทั้ง 3 ทาง ผู้ไปตลาดลูกค้าจะเอาไปเลือกปัจฉิมนิบัติได้มีหมดในตลาดนั้นๆในศาสนาพระพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าของตลาดแห่งมรรคนิพพานแก่เองสินค้าประเภทต่างๆได้แก่พระวาจาคําสั่งสอนมีทุกแน่ทุกหมู่ทุกขั้นทุกภูมิ ที่ใจผู้มาติดต่อเกี่ยวข้องศึกษาอบรมได้รับผลประโยชน์ไปเพื่อตัวเองไม่ขาดทุนศูนย์หรอกไม่เสียเลยร่มเวลามาประพฤติปฏิบัติระดับจากกรรมก็อวดอาฆาตจากพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนี่ครั้งพุทธกาลเป็นอย่างนี้ แล้วว่าท่านผู้ใดหัดแต่ราชามหาศัพย์ลงมามีความเชื่อความสงสัยในคำวาจาของพระพุทธเจ้าแล้วเสด็จออกบวชและออกบวชกันเป็นลําดับลําดาหัดแต่ราชามหาศัพย์เทพีกระดงปี่ก็ทราบประชาชนคนธรรมดามีทุกข์กันทุกภูมิทุกชาติทั้งนั้นน่ะที่มา เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าท่านผู้ใดจะออกมาจากตระกูลใดมาด้วยความเชื่อความนงไสมีจิตใจใฝ่ต่อธรรมอย่างเต็มอกเต็มใจเพราะฉะนั้นการฟังก็ฟังด้วยความตั้งใจการประพฤติปฏิบัติเพื่ออรรถนั้นนั้นจะได้ปรากฏขึ้นในจิตทั้งตนของปฏิบัติด้วยความ ท่านใจจริงๆผลที่ผลได้ครับในการปฏิบัติก็อย่างน้อยความทั้งอดเย็นใจมากกว่านั้นก็บรรลุธรรมขั้นนั้นๆจนถึงมรรคนิพพานอันเป็นผลสุดยอดพระผู้แสดงก็แสดงรู้ความถูกต้องนั้นได้เนื่องจากสงฆ์ พอฝึกปฏิบัติต้องรู้จงเห็นมาทุกสิ่งทุกอย่างทุกแน่ทุกมุมในบรรดาธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นฝ่ายดีและชั่วที่จะควรแยกแยกออกให้พุทธบริษัททั้งหลายทราบพระองค์ทรงสร้างมาก่อนแล้วโดยตลอดทั่วถึงธรรมแสดงออกแห่งธรรมในแย่ใดจึงแสดงออกด้วยความรู้จริงเห็นจริงนั่นมีที่ชาติภาคเพื่อนไปไหนเลย หมายแต่เสด็จออกมาแบบสุ่มกลุ่มดาวดอกพระทรงรู้แจ้งถึงจริงแล้วก็มาแสดงจึงเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์องค์เอกในอุบายวิธีการธรรมสอนไม่มีใครเสมอทัดเทียมได้เลยในโลกทั้ง 3 นี้แล้วการแสดงออกแห่งธรรมที่ยากที่งมพระองค์ทรงรับรองดินดันได้ผลมาแล้วจึงนิมนต์มาเสด็จ บรรดาศาวกที่ได้หุตติปฏิบัติระดับต่างๆเพราะว่าจากพระเจ้าถึงถึงกับเข้าบรรลุมรรคผลนิพพานก็ไม่รู้ธรรมของอินเที้ยนเดียวกันแม้ความรู้จะไม่กว้างขวางเหมือนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพุทธวิสัยประการแต่สาวกก็เต็มภูมิแห่งความรู้ของตนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นธรรมจริงล้วนรวยเมื่อสั่งสอนผู้ใดย่อมจะทราบถึงถึงติดไกล แต่ผู้มาอบรมศึกษาด้วยกันท้ายคืนกับพระพุทธเจ้าเพราะธรรมของจริงเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าอุปาวิธีต่างๆสอนมีความกว้างแคบต่างกันเท่านั้นแต่ความจริงเหมือนกันมีผู้รู้ความจริงผู้ปฏิบัติด้วยความจริงใจรู้ความจริงขึ้นมาเป็นผลการแสดงธรรมที่ตนรู้แล้วเห็นแล้วจึงมีการสะทกสะท้านไม่มีแม้สงสัย แต่แม้ใบออกมาก็เป็นที่กลับบุญจัดไกลถ้าซึ้งซึ้งได้ผลเป็นที่พอใจในขณะที่ฟังการฟังธรรมท่านบอกว่ามีอันสูง 5 จากส่วนใดก็ยอมลงที่ว่าจิตผู้ฟังต้องทะมุตท่งใสข้อที่แต 5 คือเราฟังเพื่อ ผลประโยชน์ในขณะที่ฟังจริงๆไม่ฝืนใจคิดถึงเรื่องอะไรในขณะฟังตั้งธรรมรู้ไว้จําเพาะตนคอยรับกระแสธรรมที่ท่านแสดงออกไปกระแสธรรมนั้นจะเข้าไปเกี่ยวข้องสัมผัสสําคัญกับใจใจรับรู้รับทราบกระแสต้องทําไม่ขัดลักขัดต่อความรู้ก็คือจิตจะคิดไปไหนก็ออก ไม่มีข้อ 1 ไมความสนใจแค่ต่อการทําอย่างเดียว 2 จิตใจไม่ได้คิดว่าจะส่งไปที่ไหนนอกจากจะมุ่งให้เข้าอบเข้าใจในอักธรรมที่ท่านเจริญไปประมาณเพราะงั้นการฟังธรรมทางภาคปฏิบัติจึงสะดวกและก็ง่ายยิ่งกว่าการปฏิบัติโดยลําพังโดยลําพังตัวเอง ในทางโทษการจึงมีการตกตนสั่งสอนกันอยู่โดยเสมออย่างในอภิหารเยทัพมันประทุมกันเมื่อนี้เมื่อประทุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกก็พร้อมเพรียงกันเลิกแต่พร้อมเพรียงกันทํากิจที่สมกับควรทําขอประทุมครับที่ตรงนี้นะไม่บรรยาย ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบังคับไว้แล้วไม่ลื้อถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบังคับไปแล้วสมณภาพศึกษาอยู่ในข้ออรรถธรรมที่ทรงบังคับไปแล้วด้วยดีพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นนักปัญญูเป็นที่เคารพเลื่อมใสขอทําคําเคารพเลื่อมใสต่อท่านพุทธมา มีหลักใหญ่นั้นณพยายามหลักแห่งกิเลสพยายามปราบการกิเลสตนอารมณ์เป็นคอยแทรกคอยเกิดอยู่เสมอภายในจิตใจนะให้ยินดีในเสนาสนะป่านะเสนาสนะป่าคือที่อยู่ในป่า อันคงที่สงบนิ่งกาจจากสิ่งก่อกวนไม่หมายให้ทําความภาคเพียรด้วยความสะดวกสบายนี้เล็กจะมีมากน้อยก็ค่อยหลุดลอยออกไปจากใจเพราะความเพียรฝึกต่อกันอยู่โดยสม่ําเสมอมีธรรมพุทธกาลท่านถือเครื่องครับถือปะเป็นหลักตายคู่กับการประพฤติปฏิบัติการฟังธรรม พระพุทธเจ้าและสาวกซึ่งเป็นหังทั้งนั้นเป็นผู้ให้การอบรมเพราะฉะนั้นผลจึงเป็นที่พลอยใจรุ่นเมื่อเอาปาฏิหาริย์เป็นที่อาศัยธรรมดาเพียงปาฏิหาริย์ก็เป็นที่ปักเป็นปักตายปักนิกิจไคลจริงๆการประพฤติก็เห็นผล เพราะฉะนั้นดาวทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าสิกขธากดก็จริงพึงคํานึงถึงหลักพุทธังธรรมังสังฆังสันติขามิอยู่เสมออย่าให้ห่างเหินจากจิตใจนี่เป็นหลักที่ฝากเป็นกับตายน่าอย่างแท้จริงอํานาจของติเลษทัณหาอาศัยจะไม่รุนแรง <Num> <Num> <Num> เมื่อจิตใจมีความมั่นคงมีความสนใจใกล้ต่อธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอก็เหมือนกับว่ามีเครื่องป้องกันตัวทางทําความเพียรอย่าไปกําหนัดวีลําวิลาที่อย่าบทต่างๆให้พึงทําอยู่ที่จิตธรรมะจะเป็นธรรมะความเพียรต่างแค่จึงก็ได้แต่สติเป็นเครื่องประคับประคองรู้ตัวอยู่เสมอ เป็นผู้ฝึกหัดนายเริ่มต้นด้วยทําบริกรรมภาวนาเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นก็ให้สติมีความสําคัญเกี่ยวเนื่องกันอยู่กับคําบริกรรมภาวนาของตนเพื่อความมีสติภูมิพิจารณาทางด้านปัญญาสติเป็นสิ่งที่บังคับหรือกํากับมาขอให้เกี่ยวโยงกันไปกับปัญญาให้เกี่ยวเนื่องกันอยู่เสมอ มันความเกลียดเราฝากเป็นฝากฝายกับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นอมฤตประเสริฐสูงในโลกธรรมเป็นของประเสริฐถ้าต้องการจะพ้นทุกข์ด้วยอํานาจแห่งธรรมด้วยอํานาจแห่งการปฏิบัติเราไม่หวังจะจมดิ่งในความทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่เอื้อนน่าอลอายมากถ้าพูดถึงเรื่องแน่นอนความทุกข์หลายซึ่งมีในปากไส้ทั้งขังทั่วๆไป โลกไม่ได้อยู่โดยความเป็นอิสระแต่อยู่ด้วยความถูกทุกข์กดบังคับอยู่ตลอดเวลาหากท่านมีความสงสัยจริงไม่อยากจะแยกตัวออกจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้นอกจากจะหัวถลำเข้าไปด้วยความสงสัยตรงนี้มีความรู้เท่าในพื้นการก็ดีด้วยความเข้าถึงน้ําถึงนั่นโดยไม่คํานึงว่าสิ่งนั้นมีเกี่ยวด้วยหยากที่ถือไม่ข้อดีมีหลายประเพณีมีเราเป็นนักบวช ทั้งเรื่องดวงแลทุกแง่ทุกมุมบรรดาโลกทั้งหลายที่เป็นกันอยู่เราได้ผ่านมาแล้วพอเป็นพูดเพราะฉะนั้นทรงอยากนําโลกเข้ามาร่วมควรด้วยความอยากความหิวความกระหายความอยากที่จับคุมย้อนนั้นเรื่องนี้อาจเป็นเครื่องขอบพิเดชตัณหาให้เกิดขึ้นเผารนจิตใจให้เพ่งคิดถึงเรื่องอัตทั้งธรรมอันเป็นเป็นไปทุกข์ ท่านต้องพั่นพิเดบปัญหาอาสวะซึ่งจะนํามาให้ทุกข์ทั้งหลายนี้ออกไปได้โดยระดับด้วยความเพียรพูนตนในภาคและอริยบทต่างๆอย่าได้เผลอตัวนอนใจนี่คือผู้จะสืบศาสดามรดกของพระพุทธเจ้าได้และเป็นคุณค่าอันเด่นหลวงของมีอันเป็นที่จะมงคลอันอาจารย์เหล่าหลวงแต่คนตลอดอมันตการหาประมาณไม่ได้ที่นี่จะมีประเภท จะเป็นประเภทใดก็ตามมีมากน้อยอย่างไรย่อมจะเป็นเครื่องเสียดแทงวิปีความคิดใจอยู่ร่ําไปท่านจึงกําหนดว่าไม่ใช่ของดีเรื่องของกิเลสนั้นมีหลายชั้นหลายข่มส่วนมากให้เป็นเหยื่อล่อให้หลวงเผลอในการนําทุกข์เข้ามาอย่าย่ําทําลายทีหลังหลังจากฉานั้นแล้วก็เป็นฉากของทุกข์ทั้งนั้นเกิดขึ้นมา ท่านท่านทําความเข้าใจกับเรื่องของโลกซึ่งมีกับตัวมีอยู่กับทุกคนอย่าได้ตกหนักน้ําใจการทําความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์แต่ยากลําบากอย่างไรท่านถือว่าเป็นอันตนจะพึงทําหยิบเลี้ยงไปไม่ได้ถ้าต้องการพ้นจากทุกข์ซึ่งติดขวางกดเคืองจิตใจอยู่ตลอดเวลาหนึ่งหากจิตใจเป็นอิสระ อยากคุณพ้อขอทําความพากเพียรอย่าไปทําหนึ่งว่ามาวาสนามากวาสนาน้อยในขณะที่จะทําความดีมีคําโดยตรงตรงนั่งสมาธิเพื่อเข้าถึงนิพพานเป็นต้นถ้าจะคิดว่าอํานาจวาสนาน้อยให้คิดในขณะที่ติดเด้ือนน้อยเถอะตัวไปพอระลึกได้ก็ให้สร้างความนี้เป็นการสังสมเป็นการปรับทอนนิสัยวาสนาของตนให้ด้อยลงไปเดิม ธรรมะคนนี้เนี่ยแปลว่าวัฒนาก็จะขาดศูนย์ไปเพราะความความชั่วเป็นสิ่งทําลายวิเคราะห์ขาลให้รอดลอยไปการทําความดีตลอดเวลาก็คือการสร้างอํานาจวัฒนาขึ้นภายในจิตเพื่อจะปราบปรามสิ่งที่เป็นฆาตกิจมีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปนั่นเองใครจะไปสร้างมาสมาธิไหนถ้าไม่สร้างที่ใจเพราะคงนับสามารถร้อนเพียงใดก็เกิดขึ้นคิดใจเป็นผู้สร้างได้ เราอยากเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานจะหืนหาจะอยู่ห่างกันจากปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเช่นเดียวกับบันไดมีความเปรียบเนื่องกันกับบ้านเรือนถึงรางบ้านช่องจะสูงเพียงใดบันไดต้องติดแนบไปทุกๆชั้นของบ้านของเรือนทั้งธรรมธรรมะธรรมะจะสูงขนาดไหนซึ่งเป็นผลผล สัมมาทาคือข้อปฏิบัตินี้เป็นปฏิฏิญาณกันไปทุกขั้นทุกภูมิเพราะผู้ที่จะกล้ากระทิงทําขั้นนั้นก็ต้องเป็นไปตามธรรมขั้นเหตุคือทางดําเนินนี้ทางดําเนินเพื่อพระคุณนิพพานดูที่มัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปป์ซึ่งเป็นองค์แห่งปัญญาท่านนําออกออกหน้า เหมือนกับคนฉลาดนําหน้าคนโง่หัวหน้างานเค้าหาคนฉลาดเค้าเอาคนโง่มาเป็นหัวหน้างานที่จะทํางานให้เสียแล้วนอกถึงลูกน้องเค้าก็อีกหน้าละอาการผลงานก็ไม่ได้ดีไม่ดีทํางานได้ชิบหายป่นปี้ไปหมดเพราะความโง่ของหัวหน้าในการใช้วิเศษสรรหาซึ่งเป็นสิ่งฉลาดแล้งพลมากเหนือสิ่งใดนอกจากปฏิปัญญาแล้วแก้ไม่ได้จึงต้องอบรมปฏิปัญญา แม้เจ้าก็สามารถอย่าได้ลดหนักนี่แหละคืออาวุธสําคัญสมัยกับกิเลสมันมีกิเลสตัวใดที่ถ้าปากปืนมีอํานาจก็ถีบบังคับด้วยสติปัญญานี้ไปได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสทรุเพราะพระสติปัญญาพระสาวกทั้งหลายไม่เว้นได้บรรลุธรรมด้วยสติปัญญานี้ทั้งนั้นเป็นสําคัญสติปัญญา เป็นเป็นธรรมคงเส้นคงมาตอบการปรับปรังที่เกิดขึ้นใหม่ผู้ต้องการดับแต่พ้นจากทุกข์โดยลำดับภายในจิตใจนี้ให้พึงสำสมสติปัญญาปัฏฐาของเพียงให้เกิดความสามารถแก่รู้ลัดท้อถอยคุณบัตรอันคลึงใจจะปรากฏขึ้นจากการปฏิบัตินี่แหละ ไม่อยู่ที่อื่นเราจะไปฆ่ามรรคผลนิพพานมาดูสถานที่อื่นที่เป็นไปเป็นเรื่องเก่าสถานที่ไม่คันประคุกหน่อยหาตัวจริงไม่ได้ตัวจริงมีอยู่กับสัจธรรมสัจธรรมกับมรรคผลนิพพานเป็นของที่เนื่องกันอยู่แยกจากกันไม่ได้แม้ไม่มีสิ่งใดที่เปลี่ยนมากมาสนามรรคการตามมรรคผลนิพพานของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชั่วด้วยมรรคิมาปฏิปทาไม่ได้เลย สิ่งที่เป็นมานสร้างกลางของนิพพานก็คือที่เรียกปัญหาเอาว่าซึ่งเกิดขึ้นจากใจเป็นเครื่องทําลายใจนี้ขณะมันมีอย่างทุกขังอนิจจังสัจจังทั้งบอกให้พึงกําหนดรู้คือทุกข์นั้นเป็นเครื่องเตือนให้เป็นผู้มีญาณให้พึงกําหนดรู้นะทุกข์เป็นเครื่องเตือนให้สติปัญญาพิจารณาที่ข่าวฌานที่ข่าวนั้นได้แต่ปัญญา ความคิดความฟุ้งต่างๆซึ่งเป็นส่วนสมุทัยเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นเพราะความรักชอบสิ่งใดความเกลียดความโกรธกับสิ่งใดเพราะธรรมดาสังขติโกรธก็เป็นอารมณ์เกลียดก็เป็นอารมณ์รักก็เป็นอารมณ์ชังก็เป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องอาศัยสติปัญญา เป็นปุถุจะต้องใคร่ครวนตรวจสอบดูเหตุดูผลความรักความโกรธความเกลียดความโกรธมันเป็นสาเหตุมาจากสมุทัยแก้กันด้วยสติปัญญานี่เกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างนี้สมุทัยพึงละเราเราจะเอาอะไรมาละสมุทัยพระห้าตบันติเมที่คุยนะพึงละสมุทัยถ้ามาละด้วยมรรคละด้วยอะไร สำคัญเรื่องประมาณนี้ความนิโรธความดับทุกข์เอาอะไรไปดับทําให้เอามรรคไปดับกิเลสไปก่อนเมื่อกิเลสทําดับทุกข์ดับตนเองความที่ทุกข์ดับไปนั่นแลท่านเรียกว่านิโรธมันความดูกรเกี่ยวเนื่องกันทํางานในขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังกันเลยเราไปแยกไปแยกเรียงลายกันไปเท่าไหร่ก็ได้ คุณค้ำที่การปฏิบัติเนี่ยทุกข์กับคุณไทยเป็นตัวกั้นขวางมาสู่นิพพานซึ่งธรรมทั้ง 2 ประเภทนี้ดิฉันจะทําทั้ง 2 ประเภทนี้ก็มีอยู่ในใจเสมอเป็นพวกกิขวางเวรใจก็คือการกระทําทั้ง 2 นี้มรรคมีการแก้ให้การขัดข้องที่เหล่ากิเลสตัณหาอาสวะ ก็จะทุกข์ดับไปก็อยู่ที่ตัวของเรานี้เป็นฝ่ายบุกเบิกภาคฐานหิรวคุณังสร้างเจติอาสวะต่างๆซึ่งเป็นปัจจธรรมทั้งสองนั้นได้แก่ทุกข์สํานิทัยมรรคนี้เป็นผู้มีอํานาจถ้าสร้างให้มีมีได้และปราบมานทั้งหลายนี้สิ่งที่ลบกรุงลงทั้งหลายออกไป เป็นเป็นโลดขึ้นมาธรรมทั้ง 4 นี้ทําหน้าที่เกี่ยวโยงกันโดยไม่ต้องไปตั้งวาระทํางานทั้ง 4 ประเภทนี้ว่างานไหนจะทําก่อนงานไหนจะทําหลังเมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นเครื่องเตือนสติมีแล้วว่าให้ติดสติปทิปัตติกรรมตามธรรมนี้ ทุกข์นี้เป็นผลอะไรที่ได้เกิดทุกข์นี้ที่เกิดทุกข์เวลานี้เกิดขึ้นมาจากเรื่องอะไรเป็นทุกข์ใจเราทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์เพราะเราเปรียบคนนั้นเราทางคนนี้เราเป็นทุกข์เพราะเรารักสิ่งนั้นรักคนนั้นเป็นเรื่องของสมุทัยฉะนั้นถ้ามาจึงต้องล้างอะไรมีอยู่อะไรที่นั่นจึงทําให้ให้รักษาจิตใจเอามาคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจน <ม. S 1> ถึงนักบุคคลนักคนนักหญิงนักชายอะไรเป็นหญิงเป็นชายค้นคว้าดูเอาตัวเราเป็นตัวประกันเป็นตัวเกิดฉบับค้นอยู่ในตัวนี้ก็น่าค้นดูข้างนอกก็น่าที่อยู่ในกายนี้ทั้งสังขารนี้ก็ไปค้นถึงเมื่อเป็นถึงกระดูกก็ค้นถึงเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคนมีที่น่ารักที่ตรงไหนนี่คือสมุดที่ยึดขึ้นมาเป็นเครื่องแจ้ให้มีความความรู้ดวงอํานาจของจิต ทีนี้มรรคปฏิณาเข้าใจพระ 7 แล้วก็ก็ปล่อยวางกันเองความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความรักทางเกี่ยวความโกรธก็ดับไปเองเพราะดับสาเหตุแล้วผลจะมีมาจากไหนมันก็ดับทั้งมันเองนะการปฏิบัติต่อศาสดาธรรมมีความเกี่ยวยุ่งกันอย่างนี้โดยหลักธรรมชาติ อะไรนี้ย่อมมาแต่ปฏิบัติอย่างใดก่อนอย่างใดหลังไม่มีข้อวังคับไม่มีกฎเกณฑ์แต่หลักธรรมชาติแล้วก็ทุกข์เป็นเครื่องเตือนให้เกิดสติให้รู้รู้เรื่องของทุกข์มีน้ําค้นหาเหตุที่เป็นทุกข์ได้แก่สมุทัยด้วยมรรคคือสติปัญญาเป็นสําคัญนะเพราะว่าถ้า 2 อย่างนี้ได้คือสมุทัยกับมรรคได้เกี่ยวโยงได้เกี่ยวข้องกันทําหน้าที่ต่อกัน ไอ้สําเร็จไปมากน้อยย่อมความทุกข์ก็ดับไปโดยบรรดาลนั้นเป็นความแสดงออกแห่งนิโรธตามขั้นต่างๆภูมิของนักที่ดับทุกข์ได้ถึงกระทั่งดับทุกข์ได้ด้วยอํานาจของตติบรรดาไม่มีกิเลสก็เพ่งไปเหนือพอที่จะถึงขั้นไหนไม่เกิดทุกข์อีกเลยอันตรัสนิโรธแสดงเป็นภูมิหลังจากนิโรธ ความดับทุกข์เป็นภูมิเพราะอํานาจของนักระดับกิเลสอันเป็นไฟแห่งทุกข์ซึ่งสุดถึงไปแล้วอันนั้นเลยจากปฏิจธรรมที่อยู่ขณะเป็นตถาจากปฏิจธรรมในปฏิจธรรมทั้ง 4 นี้จะเรียกว่านิพพานเรียกในนั้นก็เป็นปิยาเป็นอาการฝ่ายสุขฝ่ายทุกข์ทั้งถ้าก็เที่ยวพวกมันกําลัง รบกันขึ้นหมุนอยู่หนาสหพันธนะไพธนะในขณะนั้นได้เลยฝ่ายไหนมีกําลังน้อยฝ่ายนั้นพ่ายแพ้ไปฝ่ายนั้นมีกําลังมากฝ่ายนั้นเป็นผู้ครองอํานาจนั่นน่ะหลังจากรบกันยับร้อยแล้วทุ่มทรามถึงสงบลงไปด้วยฝั่งเป็นฝ่ายชนะฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายแพ้ หิมาปัจจธรรมทั้ง 4 ทำงานต่อกันจนสิ้นสุดยุติติดลงไปแล้วอย่างเป็นภูมิของเหตุของผลผู้ที่รู้ว่าสิ้นสุดแล้วซึ่งสงครามในระหว่างแห่งปัจจธรรมทั้ง 4 ต่อสู้กันหรือทําหน้าที่ต่อกันผู้นั้นไม่ใช่ปัจจธรรมคือลอกเหนือจากปัจจธรรมทั้ง 4 ทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกข์ก็ดับไปทุกโมทัยเกิดขึ้นแล้วธรรมไทยก็ดับไปมรรคทําหน้าที่แล้วมรรคก็ดับไปนิโรธทําหน้าที่แล้วนิโรธก็ดับไปผู้ที่รู้ว่าจะทําฌาน 4 แสดงอาการขึ้นแล้วดับไปยุตติดงไปแล้วนั่นแหละผู้ปุญญะจะทําผู้นอกจากฌานได้แก่วิมุตติ บางบทพ้นท่านจึงแยกออกว่านิพพานเรายอมรับทันทีหาที่ฐานไม่ได้ถ้าพระองค์ท่านนี้ไม่มีอาจจะสมมนแล้วแยกออกในประเด็นมรรคผล 4 นิพพานนะครับระหว่างมรรคผลกําลังทํางานอยู่นั้นยังไม่สิ้นสุดเป็นนิพพานไม่ได้จนกระทั่งอนิยุตติเมื่อวาระ พอมรรคก้าวไปถึงผลผลกับเหตุได้ยึดติดจากกันนั่นแหละเรียกว่านิพพานนิพพานเนาะสําเร็จอรหัตตผลท่านก็คือตัวอย่างง่ายๆสําเร็จอรหัตตผลแล้วท่านเรียกว่าผลคือมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนั้นแต่เวลาแยกไปจริงๆแล้วก็นิพพานนั่นเอง กรรมกับผลทําหน้าที่ต่อกันยุติลงอย่างเป็นที่แล้วก็เป็นนิพพานขึ้นมาขณะมรรคผลที่ก้าวกันที่ปฏิบัติต่อกันนั้นยังไม่เรียกว่านิพพานได้เหมือนอย่างเราก้าวขึ้นบันไดเท้าข้างหนึ่งเหยียบบนบ่างแล้วแต่เท้าอีกข้างยังเหยียบอยู่บันได เสียกับคุณนั้นทีบ้านแลได้ดีไม่ได้นี่แหละเวลามรรคผลทํางานต่อกันเป็นอย่างนี้พอเท้าที่ 2 ก้าวขึ้นไปเหยียบกึกยกบึ้งบ้างเหยียบกึกนั้นเลวถึงผลเต็มภูมิพอยุติจากการเหยียบหมดกิริยาที่ทําแล้วนั้นแหละนิพพานที่ในขณะที่กําลังทํางานนี้ หมายเรียกว่านิพพานเพราะยังไม่ถึงจิตที่ธรรมธรรมที่กามมาทั้งหมดนี้มีอยู่ภาระจิตใจของเราทุกคนพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิบัติตามหลักปฏิจจสมุปบาททั้ง 4 นี้พระสาวกก็ปฏิบัติตามหลักปฏิจจสมุปบาททั้ง 4 นี้เป็นผู้รู้รอบปฏิจจสมุปบาททั้ง 4 นี้แล้วจึงได้ปฏิญาณตนว่าเป็นผู้ สิ้นแล้วจากที่เหล่าท่านพระเป็นพูดถึงแล้วพึงเรียนให้ทราบว่าได้จรัสรู้แล้วซึ่งธรรมอันประเสริฐนั่นมันรู้แล้วซึ่งธรรมอันประเสริฐดูที่ตรงนี้น้อยอยากประทิด 5 สถานที่นั่นที่นี่เป็นพระพุทธเจ้าจรัสรู้อยู่ที่อินเดียนะต้องเพ่งอยู่ที่นั่นกับที่นี่เป็นประเดิมอารมณ์อยู่กับนั้นจนลืมหน้าที่ของตน การพูดปฏิบัติของตนเพื่อมรรคผลนิพพานอันอยู่ภายในใจของตนไปเสียเค้าเรียกว่าตระกุกหน่อยหาเต้าที่ไม่กันพระพุทธเจ้าทรงสอนองค์ทีนี้ธรรมะไม่ว่าจะแน่ไหนสอนไม่นอกเหนือไปจากกาวาจาใจเมื่อเรียกชื่อของธรรมอยู่นู้นสอนเข้ามาที่นี่ธรรมอยู่ที่กัมพีก็ชี้เข้ามาที่กาวาจาใจของสัตว์โลก ทุกข์อยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่กับบุคคลอยู่กับสัตว์สมุทัยอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ในหัวใจของคนของสัตว์มรรคจะอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ในหัวใจคนคือข้อปฏิบัติเมื่อข้อปฏิบัติเป็นภูมิแล้วนิโรธคือความดับทุกข์จะดับไม่ได้อย่างไรเป็นภูมิแล้วต้องดับทุกโดยสิ้นเชิงแม้ว่าสมัยนู้นสมัยนี้มีความสม่ำเสมอมีความเที่ยงธรรมคงเส้นคงมาอย่างนี้ตลอดมาท่านจึงเรียกว่ามรรคภูมิมา ปฏิปทาคือเป็นธรรมเป้าสมอยู่เสมอเป็นธรรมหมองสมนี้ตลอดกาลในการแก้ที่เรียกกิเลสทั้งทุกข์ประเภทว่าใครจะบำเพ็ญใครจะปฏิบัติอยู่ในสถานที่ใดเพียงบทใดผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้เทิดทูลสาธนาธรรมและเป็นผู้มีหวังที่จะได้เตร่ถึงมรรคนิพพานด้วยข้อปฏิบัติของตนโดยไม่ต้องสงสัย ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงต้องลงในจุดนี้เป็นจุดที่ถูกต้องที่สุดอยู่ที่ไหนให้มีสติสตินี้เป็นของสําคัญถ้าสติอยู่กับตัวจิตใจก็ไม่เพลินผ่านได้แม้ที่จะปัญหาจะมาครอบคุมก็เป็นไปกับความเผลอที่จริงมาถึงขั้นที่จะทดลองกันแล้วมันก็ไม่ คิดเพื่อทดลองตัวเองมีคิดออกไปทางฝ่ายทั้งมุไทยได้แต่เป็นทั้งมุไทยเพื่อทดลองก็เรียกว่าเป็นมักภูมิโดยปริยายเห็นมั้ยว่าที่มีความแก่คร่าสามารถในเรื่องอสุภอสุภังมองดูหญิงดูชาที่ไหนเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นกระดูกทั้งหมดอันนี้ย่อมละเรื่องของราคะทั้งนับมากไปมากไปจนกระทั่งไม่ปรากฏราคะคือความกำหนัดความรัก ตัวอามันปรากฏขึ้นที่ใจเลยไปอย่างละเอียดละอีกแล้วหมดไปนี่คือล้วงล้างไม่แค่หมดจริงๆทีนี้ธรรมะทดลองก็คือเมื่อมันเป็นไปอย่างนั้นแล้วทําไมจึงไม่แสดงแสดงความเด่นชัดให้เห็นว่าหมดแล้วในขณะนั้นสิ้นแล้วในขณะนี้จากราคะตัณหาเป็นเพียงเพียงว่าค่อยหมดไปหมดไปจนกระทั่งไม่ปรากฏราคะเหลืออยู่เลย จิตใจของกําหนดดูรูปร่างนี้ชายใดมันเป็นอสุภอสุทังเป็นทั้งหมดข้างล่างแล้วมันจะเอาความกําหนัดยินดีมาทําไหนเพราะฉะนั้นความกําหนัดยินดีนั้นจึงหลบซ่อนตัวเหมือนกับหินทับญาติผู้ไม่พิจารณาอย่างรอบคอบเข้าใจในตนสิ้นราคะแล้วนั่นคือความเข้าใจผิดด้วยความมักงามความสภาพของตนเองเมื่อเป็นแค่นี้แล้วในขั้นที่จะ เอาคําเรียกละออเพื่อถึงภูมิความจริงแห่งความสิ้นราคะอีกทีแล้วก็ต้องได้ทดลองกันการทดลองด้วยความตรงใจไม่มีความเสียหายแต่อย่างใดความเป็นไปด้วยความเผลอตัวด้วยอํานาจของจิตใจนี้จึงหาทางยับยั้งไม่ได้ส่วนความเป็นไปของจิตที่ นามสิ่งเหล่านั้นมาทดลองเปรียบเทียบเพื่อจะหาความจริงจากสิ่งนั้นแม้จะแยกให้เป็นสมุทรไทยเพราะการปรุงสิ่งนั้นให้สวยให้งามขึ้นมาก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของมรรคเพราะปรุงขึ้นมาเพื่อทำลายปรุงขึ้นมาเพื่อความเห็นแจ้งเพื่อเห็นเหตุเห็นผลกันอย่างชัดเจนนี่ก็เคยปฏิบัติมาแล้วเหมือนกันเพราะเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วมันไม่มีทางไปมีแต่อุปภาวะความงามนี่ สุภะก็ดึกตัวขึ้นมาได้มองดูถิ่นใดมีคิดแล้วอสุภะสภาพเป็นเนื้อเป็นตัวแม้แต่สัตว์อยู่ในฐานมองไปก็เพราะอำนาจแห่งวิปัสสนาคือปัญญามันทะลุกุ้งโตไปหมดเช่นจิตที่มีความทำนานในทางใดเช่นทางอสุภะถ้าอสุภะนั้นมันเด่นในอาการใดเด่นเด่นในเนื้อเด่นในหนังมันก็ทะลุเข้าไปถึงเนื้อในหนังทะลุเข้าไปทั้งทั้งทั้งแต่ประชาเลย อาตมาถามบุคคลไม่ได้เวลานั้นรวมแล้วเป็นกองอุปัฏฐะเป็นดินเป็นญาติอืมเป็นบังของคนคนนั้นพอเมื่อมันเป็นอุปัฏฐะน่าเกลียดน่าอึดอัดอาใจทั้งนั้นราคะจะไปกำหนดได้ยังไงในกองอุปัฏฐะขึ้นเป็นเหมือนป่าช้าที่ดิบแล้วนั่นแหละราคะหมดลบท่อนตัว ก็จะฟื้นขึ้นมาให้เห็นเหตุเห็นผลจึงต้องอาศัยสุภะคือความสวยงามขึ้นมาเทียบเคียงแยกแยะกันทดสอบกันจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเป็นภูมิแล้วเรื่องราคะพาจากใจก็วิชชัพติทีนี้เมื่อรู้ชัดเจนแล้วการทดลองไม่มีอะไรจําเป็นเพราะชัดแล้ว ความทั้งหมดก็หมดสิ่งที่จะพิจารณาให้เป็นสุภะอสุภะอะไรมันก็หมดไปหมดปัญหาคําว่าสุภะอสุภะก็ด้วยกันแก่ราคะอนันต์นั่นเองการพิจารณาเมื่อถึงค่ําจะต้องนํามาทดสอบนี้ต้องแนะนําในระยะที่ไม่ควรจะเรื่องสุภะกําลังเข้ามาเกี่ยวข้องกับสุขเลยก็มีให้มีแต่อสุภะเป็นเนื้อเป็นตัวทุกขวิญญาณบท เมื่อว่าด้วยนั้นให้กําหนดพิจารณาเป็นเรื่องอสุภะทุกังเป็นปัญหาผีดิผีตายต่อทั้งนั้นนี่คือทางดําเนินกดสิ้นราคะตัณหาอันนี้เป็นของละเอียดมากเหมือนกันถ้าสติกําดาลไม่คั่นก็แก่มาแล้วตํารายก็ไม่พ้นวิสัยของสติปัญญาเอาหนักก็แบบอืมขวางคอยอยู่ก็คือถ้าเราอยากได้ของดีเราจะเห็นจะรู้ของสติ ให้เป็นอารมณ์ให้เป็นนิ่งปัญญาถึงคราวท้ายแล้วอย่าถนอมบัวจักมันพุ่มกระแปะเพราะปัญญาได้มากเกินไปถึงเวลาช้าๆให้เป็นภูมิถึงเวลาจะเข้าสู่ความสงบไม่ต้องยุ่งกับปัญญาเหมือนไม่เคยพิจารณามีแต่หน้าที่เดียวที่จะทําจิตให้เสน่ห์ด้วยการอาการใดที่เราเคยพิจารณา แม้ที่สุดด้วยบทบริกรรมก็ได้ไม่ถือว่าถึงไปต่างไปเพราะเป็นธรรมอยู่กับด้วยกันเป็นอุปาเหตุทําให้มีความสงบเยือกเย็น 1 รับความภาษิตในขณะภาษิตเหมือนกันมันสงบไม่ตั้งบ่นกับเครื่องความคิดอ่านด้วยสติปัญญาโดยทั้งสิ้นมีแต่สติกํากับ เพื่อจะให้รับความสงบใจเดียวนี่คือว่าทํางานไม่ก้าวไกลไม่ยึดไม่จับจบต้องทําอย่างนั้นเมื่อจิตมีความสงบแล้วย่อมมีกําลังมีความยืดเยื้อมีความสุขความสบายเบาจิตเบาใจแล้วทํางานต่อไปได้เกิดการพิจารณาคลี่คลายอาการต่างๆของภาพการทั้งภายนอกภายในตามแต่จะเป็นความพัฒนาไปในเวลาใดก็ตาม เพราะเป็นปัจธรรมด้วยกันทั้งภายนอกภายในถ้าพิจารณาให้เป็นมรรคเป็นได้ถ้าพิจารณาให้เป็นสมุฏฐายนะแต่ร่างกายโดยเองที่สําคัญมาเป็นของเถิงนั้นก็เป็นการสังสมลงภายในได้โดยละมองเห็นลูกภายนอกเกิดความรักความกําหนัดนี้ก็เป็นสมุฏฐายนะแล้วแล้วอย่างเป็นตัวทางที่นานแยกแยะก็ความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะได้ถอดถอนตัวออกมานั้นจึงไม่ว่าภายนอกภายในเป็นมรรคคือกันทั้งนั้น อัตตปภาปันตาละกายเอกยานุสสิยหรตินะภายนอกดูกายนอกก็ได้ดูกายในกายกายนอกกายในที่กลางตัวดูกายในตาส่วนได้ส่วนหนึ่งของอวัยวะทั่วไปในร่างกายเหล่านี้ก็ได้นะฟังเด็ดกันหน่อยในกติปถาน 4 อัตตปภาปิกุกายเอกยานุที่ยหรตินะ Itatiku acatang vabani acatang vaka yekayanum si yahanati Pihit bahit thawakaye kayanum si yahanati Acata bahit thawakaye kayanum si yahanati Sumuyo thamma kaya ni yahanati Vaya thamma kaya ni yahanati Sumuyo vaya thamma kaya ni yahanati Atiko Atiko Atikayo ki vabana sattati pachupatika hope อังคญาณนมัตตายะปฏิคคหิติปัสสนาายะด้วยไปอันนี้ปะท่านจาภิกขุโอ้เรียกว่าอิทาภิกขุกายคญาณ 45 พิจารณากายนั่นการกายนอกก็ดีกายในก็ดีกายในกายก็ดีด้วยปัญญานะท่านเรียกว่าปฏิปทฐานพิจารณาความเกิดขึ้นความเฉพาะความเกิดขึ้นก็ได้แล้วก็ความดับไปก็ได้หรือทั้งเกิดขึ้นและดับไปของ สิ่งต่างๆภายในร่างกายนี้ก็ได้ที่นากายเวทนาจิตก็เหมือนกันนะให้คุณทําความเข้าใจว่ากายนี้มีอยู่อัตถิ กายوتي วาปนัสสติปฏิบัติกาโหติให้คุณทําความเข้าใจว่ากายมีอยู่มีเอาพิจารณาสิ่งที่มีอยู่นั้นให้เห็นกะเท่รู้ก่อนรู้กลับแต่ว่ารู้ญาปนัสสติปฏิบัติกาโหติให้มีสติกําเพราะหน้าอยู่ทั้งนั้น ศัพท์เหล่านี้มายึดมั่นถึงมันได้ทั้งหลายในขณะนั้นนะธัมมาอย่างเงี้ยเวทนาจิตธรรมก็มีนัยยะเหมือนกันภูมิที่จะมาเป็นปัจฐาน 4 กับอริยสัจ 4 ตามแต่ความถนัดเป็นเรื่องเดียวกันที่กรรมตัวนี้ก็อาการเหตุกายเวทนาจิตธรรมกาไม่ใช่สัจธรรมจะเป็นอหังเนี่ย จิตก็เป็นการจะทําได้เพราะมันมีทุกข์มีทุกข์ในตรงนั้นและมีมาติภาวะในจิตนั้นด้วยที่โลดระดับทุกข์ระดับที่จิตนั้นแน่มันมีสมุจเฉทเรื่องตัวจะทําเกี่ยวกับเวทนาที่ตัวก็ตัวทุกข์ตัวทุกข์นะอิ่มสุขทุกข์นี่นะดําเนินการพิจารณาให้เป็นราอย่างนี้ญาณังตายด้วยปัญญา <c oughs> ต้องพิจารณาเมื่อไหร่ให้พิจารณาต้องหยิบแก่นปฏิบัติชมพูอย่าไปคอยว่าให้สมาธิแน่นหนังคงแล้วจะพิจารณาอันนี้เป็นความเข้าใจถูกเหมือนกันเมื่อถึงกามราที่จะควรพิจารณาให้พิจารณาเราพิจารณาเป็นมากเข้าใจชัดเจนถึงข้าเข้าไปดึงกลับแล้วธาตุที่ก็สงบลงได้ทําอะไรเพิ่มหมดหน้าการพิจารณาก็จะตอบสอนสิ่งกํบนทั้งหลายด้วยความรู้แจ้งจริงทางปัญญา คิดตามหมดไม่ได้ยังต้องสงบเวลาจะพิจารณาให้เป็นความทั้งหมดโดยลําพังเช่นอาการบริกรรมบูรณใดๆนึกติดที่นิธานเนี่ยสมาธิแล้วกําหนดเอาเพียงสิ่งที่ถึงกับโลกเองนี่ก็เคยมาแล้วไม่เคยมาพูดเพิกเฉยโดยโน่นโน่นเท่าดาวเคยมาแล้วให้รวมด้วยคําบริกรรมสงบด้วยคําบริกรรมก็เคยมาแล้วสงบด้วยสติปัญญาพิจารณาค้นคว้าที่เรียกว่าปัญญาโดยสมาธิก็เคยดําเนินมาแล้ว ถึงกับต้องดึกเปลี่ยนเอามาเป็นตัวนั้นสุดนั้นนั้นคือปัญญาบนสมาธินะนี้จะกํวดลงโดยลําพังจิตเลยเมื่อจิตมีฐานแห่งสมาธิแล้วก็ลงนั่นแหละมี 3 อย่างเช่นกันอย่างไหนก็ตามจิตสงบได้แล้วเป็นถูกต้องเฉพาะอย่างนี้บรรดาเราใช้ มันขนาดที่เกิดความขัดเกิดความขัดขันขึ้นมาเช่นนั่งมันเป็นทุกข์เวทนามากหรือเราเจ็บคายได้ปวดมากเอาความเจ็บความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเจ็บคายได้ปวดนั้นมาเป็นเป้าหมายมันเป็นสนามครบพลความอยู่ตรงนั้นหมุนติอยู่นั้นมันก็เป็นปัญญาได้ปัญญาประเภทพอความสงบของใจที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาทางด้านปัญญานี้มีความอาถรรพ์มากที่เรียกผิดกับสมาธิทั้งหลาย มีการอุปาธิธรรมสติเป็นของสําคัญอย่าลดละปล่อยวางไม่ว่าจะไปที่ไหนมาที่ใดอยู่ในสถานที่ใดเอียบ่นใดสติเป็นของสําคัญมากที่จะคอยจดจ่อจิตให้ต่อเนื่องกันอยู่เสมอไม่ลดละจิตก็มีคุณค่าณขณะที่มีสติประคองตัวอยู่ถ้าไม่มีสติจิตจะเร่ร่อนเผลอเหลวไปเข้าป้นเข้าดากเข้าบน สติเป็นของหักห้ามเป็นสิ่งสําคัญจึงต้องเอาที่ไปเอามาด้วยสติเสมอทั้งปัญญาก็ด้วยสติทางบริกรรมก็ด้วยสติจะกําหนดลงที่เฉยๆให้จิตสงบลงไปเพราะความได้ฐานในสมาธิแล้วก็คือสติลงหน้าทํานันติเป็นธรรมจําเป็นอย่างมากเพราะว่าความเพียงประเภทใดสตินี้จะปัดประจากไปไม่ได้เลยก็คือเป็นของจําเป็นในงานทุกขั้นของงาน เมื่อว่าปัญญาขันธ์หลักขั้นการขั้นละเอียดเมื่อว่าสมาธิขั้นใดสติเป็นต้องแนบติดแนบอยู่ตลอดเวลาจึงจะจัดมาเป็นงานเป็นการเป็นผลประโยชน์ขึ้นมาได้อืมเอาแต่แค่นี้ไปก่อนต่อไปก็มีอธิบายเรื่องกรรมแล้วลืมมันไปในนี้ในการเหล่านี้ <c oughs>